ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ร0 1 7 5เมิโเฮิร์และระบบ AM ความถี่1368กิโลเฮิร์ต่อจากนี้ไปเสนอรายการทันโลกทันเหตุการณ์ค่ะ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 ช่อนั้นแดงบางงามตาจากวันนี้ไปได้นำความรู้สู่ยังท้องถิ่นบ้านเราพัฒนานำพาด้วยคนนุณธรรมน้อมนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาง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 เรื่องราวที่น่าสนใจมาพูดมาคุยกันในช่วงวันที่27มีนาคมในส่วนของอนายงตรีมีการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลชุดใหญ่นะครับนะที่ทาเนียบรัฐบาลนะครับแล้วก็มีการประชุมกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 1,000 10, 0บาทนี่แหละครับนะเรียกว่าดิจิทัลเนะซึ่งเป็นครั้งที่2นะครับในปี 2,567 นะก็มีการประชุมกันแล้วก็บอกว่าตอนนี้นี่นะยกเกินบอกว่าไทยเรามีปัญหาเกี่ยวเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจนี่ต่ำกว่าศักยภาพนะก็เผชปัญหาทั้งภายในภายนอกรวมทั้งการฟื้นไรายได้ของประชายชนนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่หลังจากการโควิดเนี่ยมันต้องมีมาตรการมากระตุ้นเศรษฐกิจนะแล้วก็บอกว่าโครงการนี้ก็เป็นโครงการ ระยะสั้นที่จะเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจให้กระจายไปสู่ท้องถิ่นนะครับนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่ก็ต้องมีการผลักดันนโยบายนี้นะครับแล้วก็บอกว่าตรงนี้นี่ก็รอนะครับการมองดูเกี่ยวกับเรื่องของแหล่งเงินที่จะใช้ในโครงการแล้วก็จะมีการมอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบไปดําเนินการนะไปดูรายละเอียด ต่างๆให้เป็นไปตามกฎหมายน่แหละครับนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่ก็มีการประชุมกันก็พอมีการขยับแล้วก็น่าจะ ม, มีมีการที่จะมีความเคลือบหน้านะครับเพราะว่าในส่วนของชาวบ้านนี่ก็เฝ้ารอเรื่องของโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ก, กันอยู่นะครับนะแล้วก็จะต้องดูวงงประมาณที่จะมาใช้นี่จะเอาจากตรงไหนมาใช้นะครับนะเพราะฉะตรงนี้นี่คงจะต้อง ดูนะครับเนกะี่ยวกับเรื่องของโครงการดิจิตอลวอลเล็ตส่วนฝ่ายค้านในจุริน ian, ลักษณะวิสิทธินะ์เอกสอสอของประชาธิปัตย์ก็อบอกว่าโครงการแจกเงินหมื่นบาทดิจนะิตอลบนเลตก็มีการาชี้แจงว่าคนไทยเราก็ร อ, อโครงการนี้มานานนะครับนะอาจจะฝ่ายคา้านก็ยังไม่เชื่อว่าจะไปเอา เงินมาจากแหล่งไหนเพราะเป็นเงินจนํานวนมากนะก็เป็นท่าทีของของฝ่ายค้านก็ต้องติดตามดูอีกทีนึงนะครับว่าจะขับเคลื่อนกันไปอย่างไรเกกับเรื่องของโครงการของการขนาดใหญ่แหละครับของการดิจิตอลวอลเล็ตนะครับนะเพราะในตรงนี้นี่คงจะต้องดูนะครับนะว่าก็จะมีการขับเคลื่อนกันอย่างไรกันกันบ้างนะครับนะในเกี่ยวกับเรื่องของกา การแก้ปัญหาเกี่ยวเรื่องของยาเสพติดนี่ก็มีความเคลื่อนไหวนะจากสาสุขนี่นะครับประลัดกระทรวงสาสุขในแพทย์โอภาสการกาวินพงศ์ก็บอกว่ามีการประชุมอนยบาตใ น, นส่วนของกระทรวงสาสุขนะซึ่งมีรัฐมนตรีสาสุขในแพทย์ชลานานเป็นประธานก็บอกว่าจะมีการติดตามเกี่ยวกับเรื่องของอนุญาตสามสิบ า, บาทรักษาทุกโรคนะ ท, ที่ใช้บัตรประชาชนในใบเดียวนะครับนะระยะที่2ก็ขยายไป8จังหวัด นะซึ่งก็มีเพชรบูร์นครสวรรค์สิงห์บุรีสะแก้วนะหนองบู ล, ลําพูโคราชอำนาจเจริญพังงานะก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนนะแล้วนอกจากนี้นี่ก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องของติดตามเกี่ยวกับเรื่องการบาบัดผู้ติดยาเสพติดโดยให้ชุมชนเนี่ยเป็นฐานคือให้ชุมชนมาร่วมแก้ปัญหาโดยมีต้นแบบอยู่ที่อเาเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะครับซึ่งตรงนี้น้ําตลก็ขยายนะครับนะให้ไป สู่จังหวัดอื่นๆก็ปัญหายาเสพติดนี่ก็เป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะอะไรช่วงนี้เห็นข่าวนะตามสื่อนะมีการทําร้ายกันบ้างนะครับนะคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คงจะต้องมีมาตรการที่จะมาแก้ปัญหานในเรื่องนี้การใช้ประชาชุมชนมามีส่วนร่วมนี่ก็เ ป, เ, ป เ, ปเป็นเป็นทางออกที่ดีและครับเพราะว่าชุมชนนี่ก็อยู่ใกล้ชิดนะผู้ผู้ติดยาต่างๆเนี่ยนะครับเราก็จะ ต้องมาแก้ไขปัญหาตรงนี้กันอย่างเร่งด่วนนะครับในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมในกำลังที่จะมีการส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของหอศิลปภูมิภาคในการที่จะพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วครับนะให้ประชาชนเนี่ยมาผลมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะคือนายประสบเรียงเงินผู้มีการสำนักงานศินลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย มีการเซ็นเอ็มโนะเกี่ยวกับว่าด้วยการส่งเสริมการดําเนินการของหอศิลป์และแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะในส่วนภูมิภาคนะก็จะมีการขยายไปนะในส่วนของอสี่หอศิลป์นี่นะครับนะในการที่จะส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องให้ประชชนมาพนะัฒนาหอศิลปะนะให้การขับเคลื่อนนโยบาย Soft Power นะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็เป็นการขับเคลื่อนกันนะโดยที่จะ มีการส่งเสริมหอศิลป์อยู่4แห่งนะก็หนึ่งกมูลนี่แม่ฟ้าหลวงนะที่เชียงรายนะอันที่สองก็อาดอ า, ดอ า, ดอาดเขตที่พะเยานะครับอันที่สามก็คื อ, อ ป, ปัตตานีอาดสเปซนะอยู่ที่ภาคใต้นะที่ปัตตานีแล้วก็มีหอศิลป์ร่วมสมัยที่ภูเก็ตนะเพื่อจะพยายามที่จ ะ, ะให้ในส่วนของ เป็นการขยายการรองรับของนักท่องเที่ยวด้วยนะครับนะพอให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวมาเที่ยวหอศิลป์ก็เป็นการส ร, ร้างรายได้กันขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละจังหวัดนี้ถ้าส่งเสริมศิลปินนะครับนะให้มาทําเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านศิลปะนี่ก็จะเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่านี้ในส่วนนี้นี่ก็เราจะเห็นว่าในแต่ละจังหวัดนี้ก็มี ศิลปินที่ทำงานบางครั้งมาใช้ทุนรลอนตัวเองทำเป็นแกลเลอรี่เป็นหอศิลป์นะอย่างของบุรีรัมม์นี่ก็มีหอศิลป์นะครับนะที่ของกูตึงเนี่ยนะครับของอาจารย์สมเกียเสียงวังเวงเนี่ยก็ทีที่หอศิลป์กูตึงนะครับนะอยู่ที่องเภอเมืองบุรีรัมม์ก็โชว์ผลงานศิละปะนะมีการจัดกิจกรรมให้เด็กเข้ามาชมนะครับรวมทั้ง ที่สตึกก็มีของอาจารย์สวัยแก้วกล้านครับบุรีลั ม, มีการทําหอศิลป์อยู่ที่มูลรีเวอร์รีสอร์ทเนี่ยก็เป็นการนำผลงานศิลป ะ, ะต่างๆส่งเสริมให้ครูพานักเรียนมานมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับนะเพราะว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยถ้ามีศิลปินแล้วส่งเสริมให้มีหอศิลป์นะการขึ้นมาแล้วก็ต่อไปอาจจะมี การให้ทุนสนับสนุนนะจากในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมบ้างก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นการส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะกันอยู่ในใ น, ในกลุ่มต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่คงจะต้องจะต้องดูกันนะครับนะมาดูข่าวขาว่ขาวเกี่ยวกับเรื่องของอ SMS เอสอมปลอมเนี่ยหลอกลวงนี่นะครับนะซึ่งตรงนี้นี่ก็ค่อนข้างที่จะมีแพร่หลายนะครับในส่วนของไทยเรานี่ค่อนข้างจะ สูงนะครับนะบอกว่าสูงที่สุดในในเอเชียเลยทีเดียวซึ่งจากการเปิดเผยของนางสาวทิตินันนะสุธิณร า, าพันผู้การฝ่ายการตลาดประจำภูมิภาคเอเชียตัวออกเสียงใต้นะครับนะของอโกโกลุกซึ่งเป็นเจ้าของอนะีพิเคชั่นฮูสคอนนะครับแอปพลิเคชันระบุตัวตนสายเรียกเข้าที่ไม่รู้จักนะป้องก spam, นะันสแปมของสมาร์ทโฟนก็บอกว่า คนไทยเราเนี่ยเสียงสูงนะสูงมากนะในเอเชียที่จะถูกพวกคอนเซ็นเตอร์หลอกลวงนะผ่านข้อความทางโทรศัพท์นะเนะพราะมิจฉาชีพนี่มีเทคนิคที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆล่ะครับนะในส่วนนี้ซึ่งจากการรายงานประจําปี 2,516 ก็พบว่าคนไทยเป็นเหยื่อข้อความสั้น SMS หลอกลวงมากที่สุดในเอเชียล่ะครับนะก็มีถึงประมาณ ห้าล้านข้อความนะซึ่งก็มีตั้งแต่การแนบลิงก์ปลอมนะครับนะลิงก์ขอล็อกอินปลอมการดาวน์โหลดมัลแวร์อันตรายนะครับนะเพจปลอมหลอกลวงขายของด้วยนะครับนะเพราะฉะ น, นั้นตรงนี้นี่ก็มกักจะหรือว่าการโกงที่เกี่ยวข้องกับการให้กู้เงินนะให้เงินกู้นะนเกี่ยวกับเรื่องของเว็บพนันเนี่ยมากที่สุดเลยนะซึ่งตรง น, นี้จะการรวบรวมกรณีการหลอกลวงนี่ก็บอกว่า มีทั้งเกี่ยวกับเรื่องของการโทรเข้าหานะครับนะมีข้อความเอสเอ็มเอสนถึงแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องของอมีการหลอกลวงโดยวิธีการต่างๆเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่ไทยเราเสี่ยงอาจจะต้องอพยายามที่จะต้องหาแนวโน้มนะที่จะต้องมาป้องกันนะครับกรณีนี้นะครับนะเกี่ยวกับเรื่องของ SMS เกี่ยวกับเรื่องของอการหลอกลวงนะทั้ง มือถืออะไรต่างๆเหล่านี้คงคงจะต้องดูแหละครับนะพะที่ผ่านมานี่ก็มีปัญหากันมากนะบวกคอนเซนเตอร์นะในในไทยเรานี้อข้องทางที่จะมากนะครับนะที่จะมามามาหลอกกันนี่นะครับเราก็จะเห็นนะครับนะว่ามีมีเรื่องของคอนเซนเตอร์เนี่ยกันเข้า ม, ามามากเลยทีเดียวนะครับในช่วงสงการที่ที่จะถึงนี่นะครับนะก็ะในส่วนของอรัฐบาลในส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของ จัดงานสงการกันเจ้าเลยนะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ใหญ่นะครับนะเพราะฉะนั้นในหลายจังหวัดนี้ก็มีเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสงการที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะจากการเปิดเผยของนางยุพาทวีวัฒนากิจบวร์ักประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมก็บอกว่ามีการพยายามที่จะประชุมติดตามเตรียมงา น, นกิจกรรมเทศกาลสงการนะซึ่งก็มีการร่วมกับสภาวัฒนธรรมซึ่ง ก็จะเน้นใน6พื้นที่นะที่เป็นกิจกรรมใหญ่ทั้งกรุงเทพภูกเก็ตเชียงใหม่ขอนแก่นสมุทรปราการและชนบุรีนะซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายนะของกระทรวงนะก็จ ะ, ะมีงบสนับสนุนด้วยนะครับนะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนะที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกนะเพราะฉะนี้ก็ต้องนะจะส่งเสริมการจัดเห็นบอกว่าจะ เป็นการจัดสงการยาวเกือบทั้งเดือนแหละครับในเดือนเมษานะครับเนะีเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่ก็นอกจากมีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของอลดน้ําดําหัวในะการทําบุญนะตามแบบประเพณีของไทยแล้วก็ยังะจะมีการเล่นน้ำนะนะการเล่นน้ํกากันสนุกสนานกันนะบูชาแม่น้ํำคงคามีเทศกาลกนะับเพราะในตรงนี้นี่ก็ดูว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่จะ ดึงนักท่องเที่ยวนะซึ่งก็เป็นก็เป็นสิ่งที่ดีแหะครับน ะ, นะเพราะว่าในส่วนของคนไทยเรานี่ยในช่วงของสงการนี่ก็จะกลับบ้านไปรดน้ําดําหัวผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ไปทําบุญกันแล้วก็มีการเที่ยวกันเพราะฉะนั้นในจังหวัดที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนี่ก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยมากเป็นพิเศษน ใ, นในช่วงของเทศกาล สงการนี่แหละครับนะที่จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาทเที่ยวกันมากนะครับในส่วนของจังหวัดบุรีรัมนีนอกจากจะมีเทศากาลสงการแล้ในช่วงต้นเดือนเมษายนมีงานประเพณีขึ้นเขาพนมลุ้งนะซึ่งก็เห็นว่ามีการจัดกันยิ่งใหญ่แล้วครับนะโดยเฉพาะขบวนกนาะนเชิญในส่วนของพระนางปุตตะเตมีนะครับซึ่งเป็นพระนาง ที่เป็นกษัตริย์นะครับที่ไปขึ้นเขาพนมลุงนี่ก็บอกเห็นจะมีดารามาแล้วก็จะมีการขบวนของในส่วนของนางลัมอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมก็ไปชมกันได้ในช่วงขอ ง, ของช่วงเดือนเมษานะต้นเดือนเมษานี่นะครับนะแล้วก็มีกิจกรรมในในภูมิภาคต่างๆนะที่หลากหลายกันเลยทีเดียวในช่วง น, นี้มีการส่งเสริมกันนะครับนะในใกล้เทศกาลสงการนี่แหละครับนะก็มีการ ส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของงานประเพณีกันหลากหลายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็เป็นกิจกรรมที่ที่น่าสนใจนะที่จะต้องมีการส่งเสริมนะครับกิจกรรมตรงนี้ให้มากยิ่งขึ้นนะครับนะและนอกจากนี้นะครับในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนี่นะครับนะสุขภาพในตรงนี้ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขก็เตือนเกี่ยวกับเรื่องของคนไทยเราตอนนี้มีปัญหา เดียวกับเรื่องของสุขภาพจิตกันมากนะมีความโรคซึมเศร้ากันสูงเลยนะครับว่าตรง น, นี้จะป้องกันกันยังไรนะครับซึ่งจากการเปิดเผยของดรนัทพันสุปภาผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีความสัมพันธ์แล้วก็ของสอสสนะก็มีการกล่าวในที่ประชุมทางวิชาการว่าตอนนี้นี่เราประสบปัญหานะไทยเราเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเรื่องของ จิตเวทเต็มมากหนึ่งในสหรือ4ี่หล้านคนส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาช น, นากันมากนะครับเพราะฉะนี้นก็เลยมีการพยายามที่จะแก้ปัญหาซึ่งในแพทย์วรสโชติพิทยสนนุนนะนโคสกลมสุขภาพจิตก็บอกว่าไทยเรามีประชากรประมาณ10บล้านคนที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของด้านสุขภาพจิตซึ่งตอนนี้ มีอยู่3าล้านคนได้รับการรักษาในระบบสาสุขนะแล้วก็มีอย่างอีกจำนวนมากที่ตกหล่นนะครับนะเพราะฉะนี่ก็เพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้นี่ก็ต้องพยายามที่จะให้ชุมชนเข้ามาช่วยนะมีการคคัดกรองมีการมาช่วยเหลือนะเพราะเป็นโรคซุ่มเศร้ากันมากแล้วก็เสี่ยงแหละครับนะอาจจะมีการทํำลายตัวเองหรือว่าทําร้ายบุคคลอื่นนะเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้นี่เราคงจะต้องมีการ สํารวจนะมีการปรปับปรุงแก้ไขการแก้ปัญหานะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตกันให้มากยิ่งขึ้นจริงๆก็คงจะเน้นที่ครอบครัวแล้วก็ในส่วนของชุมชนนะครับนะเพราะว่าเราก็จะเห็นว่าปัญหาทั้ง <c oughs> โรคซึมเศร้าก็ดีกับเรื่องของนะยาเสพติดนะตอนนี้มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของยาบ้ากันมากนะมีการเสพกันหนักนะครับเพราะะนั้นนี่คนที่จะ ดูแลได้ก็คงจะเป็นครอบครัวแล้วก็ชุมชนแล้วครับนะซึ่งก็ต้องมีการกระจายกันไปดูแล ว, ว่านําบุคคลเหล่านี้มาบําบัดนะมีการมาบําบัดแล้วก็มีการเฝ้าระวังนะครับนะมีการที่จะต้องมีการเฝ้าระวังพบมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเสพยาอาลวาตในสื่อมุลชนนี่กันมากนะซึ่งตรงนี้ก็คงจะต้องให้ในส่วนของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมนะก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือจะทําให้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 ไม่ก็อยู่ที่เธอไม่เคยจะเพลื้มแม้เสี้ยวนาทีใจฉันยังมั่นคงต่อเธอคนนี้รักนั้นที่มีไม่เคยน้อยลงถึง เรื่องราวที่ผ่านเข้ามาอย่าห่วงเลยนะขออย่ากังวลให้เธอจงมั่นใจรักที่มากล้นขอเพียงเราสองคนไม่ลลมทางใจจะมีแต่เรา มีแค่เราจะเป็นเหมือนเงาไม่ว่าแห่ง้นใดจะมีแต่เราเปรียบเป็นเช่นลมหายใจผูกพันมีกันและกันตลอดไปรอใจยังไง ก็ยังรักเธอส ม, มสมังเสมอรักเธอไม่เสื่อมคลายเธอถามด้วยสายตามากมายแค่ไหนตอบด้วยใจวันไหนฉันก็รักเธอ จะเป็นเหมือนเงาไม่ว่าแห่งหนใดจะมีแต่เราเปรียบเป็นเช่นลมหายใจคูอพันมีกันและกันตลอดไปรอใจยังไงก็ยังรักเธอ จำ ม, ม, มั่เสมอรักเธอไม่เสื่อมคลายเธอถามด้วยสายตามากมายแค่ไหนตอบด้วยใจวันไหนฉันก็รา